คำสอนสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยเรื่องของกรรมคำสอนที่43กรรมแปลว่ากิจที่คนกระทาคำว่าธทรรมสะกดด้วยทอทหารหมายถึงทั้งธรรมด้วยกายอันเรียกว่ากายกรรมทั้งด้วยวาจาคือพูดอันเรียกว่าวาจีกรรมทั้งด้วยใจคือคิด อันเรียกว่ามนโนกรรมบางทีเมื่อพูดกันว่าทำรรที่สะกดด้วยถอทหารก็หมายถึงทำทางกายเท่านั้นส่วนทางวาจาเรียกว่าพูดทางใจเรียกว่าคิดแต่เรียกรวมได้ว่าเป็นการกระทำทุกอย่างเพราะจะพูดก็ต้องทำหรือทำการพูดจะคิดก็ต้องทำหรือทำการคิด จึงควรเข้าใจคำว่าทมหรือกระทาใช้ได้ทุกทางคำสอนที่44ความเชื่อกรรมถ้าเชื่อให้ถูกทางก็จะแก้ความเชื่อโชคลางต่างๆได้เป็นอันมากและสำหรับคนเรามีปัญญาสร้างกรรมใหม่ๆขึ้นได้ดีๆ มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติรักษาอยู่ก็เป็นผู้มีสารณะกำจัดทุกภัยต่างๆได้เป็นอย่างดีคำสอนที่45ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆคนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมนเนืองๆเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามละกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดีเพราะทุกๆคนสามารถละกรรมที่ชั่วประกอบแต่กรรมที่ดีได้การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ก็เพราะยังประมาทมิได้พิจารณาให้รู้ตระหนักในหลักกรรมและไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทและมีศรัทธาความเชื่อดังกล่าว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 ท่านเปรียบเหมือนอย่ายืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆมีก้อนหินก้อนดินก้อนไม้ใบหญ้าลงมาของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อนส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่าหรือเบาวกว่าจะให้ผลตามหลัง คำสอนที่47คนมีอำนาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าจะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วยโดยตั้งมั่นแนวแน่อยู่ในธรรมะเช่นเมตตาสติปัญญาสัจจาทิฐานเป็นต้นอันเป็นส่วนจิตและศีล อันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้นทำการที่ควรทำในขอบเขตอันควรคําสอนที่48ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอเสมอจึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมีกุศลของตนก็จะชูช่วยให้มีความสุขความจเจริญสืบต่อไป และถ้าได้แผ่เมตตาจิตยอยู่เนือ ง, องก็จะระ ง, งับคู่เวรอดีตได้อีกด้วยระ ง, งับได้ตลอดถึงปัจจุบันทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเองจะป้ายไปให้คนอื่นไม่ได้คนทำดีจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามก็เป็นคนดีเพราะกรรมของตนใครจะรู้หรือชื่นชมหรือไม่ก็ตามตัวผู้ทำรู้สึกตัวเองว่าทำดี คนที่ทำไม่ดีเช่นประพฤติตนเกะกะระรานเป็นคนหัวขโมยก็เป็นคนชั่วเพราะกรรมของตนใครจะรู้หรือไม่ก็ตามตัวผู้ทำเองก็รู้สึกว่าตัวทำชั่วอาจจะป้ายความผิดให้ผู้อื่นด้วยการหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดแต่จะหลอกตัวเองไม่ได้ตัวเองย่อมรู้สึกสำนึกตัวเองอย่างเต็มที่ฉะนั้น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 พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกรรมไว้เพื่อให้รู้ว่ากรรมเป็นเหตุวิบากคือผลตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาและติดตามให้ผลต่างๆต่อชีวิตทำนองลิขิตนั่นแหละแต่กระบวนของกรรมที่ทำไว้มีสลับซับซ้อนมากทั้งเกี่ยวกับเวลาที่กรรมให้ผลและข้อสำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัต ของแต่ละบุคคลในปัจจุบันคือทางพระพุทธศาสนาสอนให้ไม่เป็นทาสของกรรมเก่าเช่นเกี่ยวกับให้ไม่เป็นทาสของตัณหาแต่ให้ละกรรมชั่วกระทากรรมดีและชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดตามหลักพระโอวาทสามหรือกล่าวโดยทั่วไปมีกิจอะไรก็ตามควรทำก็ทำโดยไม่ต้องนั่งรอนอนรอผลของกรรมเก่าอะไร คำสอนที่51อคนส่วนมากยังมีความเชื่อว่ามีผู้ดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นแต่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงว่าคนมีกรรมเป็นของตนจะมีสุขหรือทุกข์เพราะกรรมผู้คนเลยหันมากลัวกรรมกรรมจึงคล้ายเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกเข้าใจในทางร้ายอยู่เสมอกรรมจึงกลายเป็นอดีตที่น่ากลัว พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรมไม่ได้สอนให้ตกเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจของกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรมให้มีอำนาจเหนือกรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบันคำสอนที่52กรรม คือการอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันทุกเวลาประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนามุ่งให้พิจารณาให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเพื่อที่จะได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่ควรเพื่อจะทำกรรมที่ดีที่พระพุทธเจ้ายัางได้ตรัสไว้ว่า บุคคลสามารถที่จะละกรรมที่ชั่วกรรมที่ไม่ดีได้จึงได้ตรัสไว้ให้ละกรรมที่ชั่วทำกรรมที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงว่าคนมีอำนาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วยโดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรมะเช่นเมตตา สติปัญญาสัจจาทิฏฐานและศีลคำสอนที่53กรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายและมโนโหรือใจกล่าวคือร่างกายที่ประกอบด้วยอายตนะทั้ง6นี้คือตัวกรรมเก่าเป็นกรรมเก่า ที่ทุกๆคนมองเห็นนอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งปวงอีกด้วยเพราะกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็อาศัยกรรมเก่านี้แหละเป็นเครื่องมือกระทาคำสอนที่54ี่ ตาหูมิใช่จะมีไว้เฉยๆต้องดูต้องฟังแล้วก็ให้เกิดกิเลสเช่นราคะความยินดีโทสะความขัดเคืองโมหะความหลงไหลให้เกิดขึ้นขณะที่ร่างกายเจริญวัยหนุ่มสาวซึ่งกล่าวได้ว่ากำก่ากำลังเติบโตเป็นหนุ่มสาวก็ยิ่งเป็นสื่อของราคะโทสะ และเป็นสื่อแห่งกรรมต่างๆตามอำนาจของจิตใจที่กำลังระเริงหลงจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมปกครองจะปล่อยเสียหาได้ไหมถ้าตนเองควบคุมตนเองได้ก็เป็นวิเศษที่สุดแต่ถ้าควบคุมตนเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เช่นบิดามารดาและผู้ใหญ่อื่นๆที่เกี่ยวข้องควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงาม ให้เกิดสำนึกว่าเรานี้เกิดมาเพื่อทำความดีคําสอนที่ห5เวนคือความเป็นศัตรูกันของบุคคลสองคนหรือสองฝ่ายเพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง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 คำสอนที่56เวนเกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่สองคือผู้รับความเสียหายถ้าบุคคลที่สองไม่ผูกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็นเวนการเกิดเวนเพราะบุคคลที่สองเป็นสำคัญเมื่อใครมาทำความล่วงเกินเล็กๆน้อยๆต่อเราเราไม่ผูกอาฆาตเขาแล้วเราก็ไม่เกิดเป็นศัตรูกัน คือไม่เกิดเป็นคู่เวรกันนั่นเองเหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง